ท่านฝัง่งที่ครบคะ่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันนิสนทนากันแล้วนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมกันมาพอสมควรทีเดียวสำหรับการมีสมาธิเนี่ยดิฉันไปได้ยินสุภาพบุรุษคนหนึ่งเขาก็อุปมาอุปไมได้เป็นอย่างดีแต่ดิฉันคงจะไม่สามารถมาถ่ายทอดที่นี้ได้คือเขาจะพูดถ่ายทอดออกมาว่ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ของใครของมันนะคะ ก็เป็นความรู้สึกที่ใครที่ยังไม่เคยทดลองปฏิบัติต้องทดลองทำดูเดี๋ยวเราไปกล่าวเรียนสนทนากับท่านเพรบูร์กันเลยดีกว่านะคะพระเพบู์อภิปุนโนซึ่งวันนี้ท่านก็เพิ่งหายเหนื่อยจากการดูแลหลักสูตรการหลีกเล่นที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งเดือนที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยจัดติดกันหลายครั้ง กราบน้ำสกายน็ท่านคะเจริมพานค่ะครั้งที่ผ่านไปนี้เป็นยังไงบ้างค่นีก็มีผู้หลีกเรนมามากมากจริงๆมาถนาว่าเราจะต้องให้พักห้องหนึ่งสองคนมี อ, อยู่สามสี่คู่ที่ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ อ, อ่ก็ร้อยสามคน่เฉพาะผู้หลีกเรนอย่างเดียวถ้ารวมพระด้วยรวมเจ้าหน้าที่ด้วยก็ร้อยยี่สิบกว่าค่ะ ช่วง<ต>ปิดเทอมบดีอ่ะเนาะ <c oughs> เลยคันมากนิดนึงพูดถึงปิดเทอมเนี่ยขอพูดเรื่องโลกนิดนึงก็แล้วกันนะคะท่านยังกับตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยคนเยอะจริงๆนะคะแล้วก็เยอะไม่เป็นเวลามเวลาค่ะอืถ้าสมมุติว่าในช่วงเปิดเทอมรถมันก็จะติดช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันก็ค่อยยังชั่วตามห้างสรรพสินค้าก็เช่นเดียวกันนะคะตอนเย็นจะคนเยอะหน่อยแต่นี่โอ้โหแปลว่า คนไทยเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยมีที่ไปมากพอิวัิท่านรับได้แค่ร้อยกว่าคนมันน้อยไปอะค่ะก็เลยมีความคิดกันว่าจะต้องขยับขยายต่อไปอะไง้ก็จะค่อยๆแก้ไขกันไปอ๋อค่ะคือได้พบว่าคนสนใจมาหลีกเรนกันมากขึ้นใช่ใมีเด็กๆบ้างไหมคะครั้งนี้โอ้มีก็เด็กอายุเจ็ดขวบแปดขวบก็มีมา อ้โหมีเจแฟนครัวอีกแล้วครั้งที่แล้วรู้สึกจะมีเจ็ดครัอยู่คนไหมคเก้าครัวเก้าคัวอ๋อครั้งที่ดิฉันไปปฏิบัตินะคะจะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายซึ่งแหมเห็นแล้วชื่นใจคือ <c oughs> เขาทําได้ดีมากเลยนะคะอื <c oughs> โดยเฉพาะเด็กหญิงที่ดิฉันจะ ใ, จใกล้ชิดหน่อยอย่างเนี่ยจะเห็นเดินจงกรมได้น่ารักจริงๆเดินเอาจริงเอาจั ง, จงค่ะทีนี้มาถึงวันนี้ก่อนจะไปสนทนาเรื่องอื่น การจะถวายพุทธบูชาพระพุทธเจ้าเป็นพุทธชยันตีครบรอบ2600ปีแห่งการตรัสรู้เป็นเรื่องอะไรอะคะพูดถึงเรื่องก่อนการตรัสรู้ดีกว่าในคราวนี้พระเจ้าก่อนการตรัสรู้เนี่ยพระองค์ได้ค้นพบเรื่องของปฏิจจสมุป บ, บาทขันธ์ทั้งห้าเวทนาอิจตนะภายในภายนอก เ, ออเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้หมดแล้วก่อนตรัสรู้นะคือก่อนคืนที่มาอยู่ใต้ต้นไม้โพเนี่ย ก็รู้ละเรื่องขันทั้ง5มีขันนะรูปเป็นสาสัญญาสังขารวิญญาณปฏิชาสมุบาทนะมีเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปอะไรอย่างนี้ได้รู้หมดเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นเราก็ได้รู้เรื่องขัน5ว่าอะไรเกิดอะไรดับอะไรเป็นยังไงอายตนะ6ตาหูจมูกลิก้นแก่ใจพวกนี้รู้แล้วนะแต่ที่มารู้ละเอียดขึ้นไปเนี่ยตรงจุดที่ตรัสรู้เนี่ยคือรู้ถึง เหตุเกิดของมันนะรู้ถึง เ, เขาเรียกว่ า, าประโยชน์ของเขาเขาเรียกว่ า, ารสอร่อยั้นนะคือไอตัวพวกนี้มันมีประโยชน์อะไรแล้วก็รู้ถึงโทษของสิ่งเหล่านี้คือขอ ง, ท, งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะอายตนะภายในภายนอกนะรูปขันธาตุาีปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเนี่ยรู้มาแล้วเราก็มารู้ถึงอุบายในการนำออก คือความรู้ตรงนี้ของพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกับความรู้ของคนทัว่วไปตรงที่ว่าคนทัว่วไปอย่างรู้ก็รู้เฉยว่ามันตัวคือตัวมันคืออะไรแค่นี้คือจบแต่แต่พระเจ้ายังแยกออกไปอีก3ามอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกสามอย่างว่าโทษของมันคืออะไรนะความสุขของมันคืออะไรแล้วก็วิธีแก้ไขของเขาคืออะไรอันนี้จึงเรียกว่ารอบรู้จริงๆอคือหมายถึงว่าก่อนตรัสรู้นี่ก็ค่อยๆรู้ข้อธรรมสําคัญๆทั้งหมดแล้วใช่ๆเพียงแต่หลังตรัสรู้เนี่ยรู้ยิ่งไปกว่า น, นั้นอีก หลังตรัสรู้นี้ก็รู้ถึงวิธีการสอนนะว่าจะบัญญัติยังไงใช้กระบวนการไหนในเช่นคิดถึงเรื่องมาร์กอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องมาร์กขึ้นมาก็คือกระบวนการที่เราจะมารู้พวกนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามมาร์กไงเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้ที่พระเจ้ารู้เนี่ยคือรู้ละเอียดขึ้นไปมากขึ้นนะ<ม>คือคือตรงนี้ก็รู้มาตั้งแต่ก่อนตรัสรู้แล้วแล้วก็ละเอียดขึ้นไปมากขึ้นในจังหวะที่ตรัสรู้นั่นเอง ท่าบุญคะเดี๋ยฉันสงสัยนิดหนึ่งฟังเมื่อสักครู่มีคําว่ามักุถออกมาเนี่ยรวมถึงอริยมักรแปดองค์นี้ด้วยหรือเปล่าคะที่ว่ารู้มาก่อนแล้วอ๋อใช่ใช่อ๋อเหรอคะใช่ใช่อ๋อนี่เป็นความเข้าใจใหม่เลยนะคะเพราะว่าแต่เดินเนี่ยจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วก็ตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธมักรเอ่อคือคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ารู้ของพระเจ้าเนี่ยรู้ถึงสามอย่างด้วยอาการสิบสอง เขาเรียกว่าปริวัติ3ามอาการ12อย่างคําว่ารู้มรคเนี่ยพระเจ้ารู้มาตั้งแต่มาเป็นเจ้าชายศรีสิท ธ, ธาด้วยซ้ำพระเจ้าเคยบอกว่าคนจะมาเป็นพระเจ้าได้เนี่ยต้องเดินตามมรคเท่านั้นนะมรคเนี่ยเป็นวิธีการที่ทําให้เป็นสมาสมธธาสัมปุทธะแสดงว่าที่ที่ผ่านมาพระองคเนี่ยเดินตามมรคตลอดเลยตั้งแต่เป็นโพริสัต์ชาติไหนชาติไหนอย่างเงี้ยนะทีนี้วา่าตรงที่มารู้ครบเป็นสมมาสัมปุทช้าเนี่ยแล้วมันแตกต่างกัตอนที่เป็นโพลิสัตย์ยังไงแล้วนะมันต่างกันตรงที่ว่ารู้สาม คือในแต่ละอริยสัจสเนี่ยพระเจ้าบอกว่าต้องรู้3มรอบนะรอบแรกนี่คือรู้ว่าไอ้เจ้าตัวสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอยู่นะแล้วรู้รอบที่2เนี่ยคือรู้ว่าเราควรจะทํำไรกับสิ่งนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างมร์อ่ะพระเจ้ารู้มาแล้วว่ามร์นี่มีก่อนอตั้งแต่เป็นโพธิสัทนะรู้ว่ามีมร์อยู่แล้วรู้มาตั้งแต่สมัยเป็นโพธิสัทแล้วว่ามร์นี่ต้องทําให้เจริญต้องทํามร์มากต้องทําไปปล่อยต้องทำสั้าๆต้องทําย้ําๆ ะนะจนกระทั่งมารู้ครั้งที่สาเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยตอนที่ตรัสรู้เป็นพระเช้าเนี่ยรู้ว่ามรคนั้นเราได้ทำให้เจริญแล้ว<ม>คือความรู้ในไดสสีเนี่ยแฝงการปฏิบัติเข้าไปอยู่ในนั้นเบ็ดเสร็จจบหมดค่ ะ, ะเช่นเช่นเดียวกันกันกบข้ออื่นๆ น, นะอย่างทุกอย่างเนี้ยทุกนี่เป็นสิ่งที่เรารู้นะใครๆก็รู้ว่ามีความทุกแต่ข้อที่สองเนี่ยเขาจะมารู้ไมว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ นะแล้วข้อที่สามนี่คือเราได้รอบรู้ซึ่งทุกแล้วอย่างงี้นะพระเจ้ า, จาก็จึงบอกว่าเป็นปริวัติสามอาการสิบสองสี่คูณสามได้สิบสองอะนะนะค่ะคือรู้ในอริยสัจสี่อย่างละสามรอบสามรอบอเอ๊อท่านคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตทบทวนอันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับงนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ดิฉันชัดเจนขึ้นมากว่าอ๋อเข้าใจว่า พระพุทธองค์เนี่ยเมื่อวันเพนเดือนหกปีที่มีพระชนมายุ 35, สา0ส0บห้าพรรษาตรัสรู้แล้วได้รู้ว่าทุกเป็นอย่างไรสมุทัยเป็นอย่างไรทุกสมุทัยนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงแต่พอมาฟังเดี๋ยวท่านพิบูลวันนี้ได้เข้าใจว่าทุกสมุทัยนิโรธถ้ารู้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยท่านรู้มาก่อนนานแล้วรู้แล้วตั้งแต่โดยเฉพาะตั้งแต่ตอนบวชเนี่ย หามาว่านิพานอยู่ที่ไหนแสรงว่ารู้แล้วว่ามีนิพานรู้แล้วก็ด้วยว่านิพานนี้ต้องต้องทำให้เจตต้องทาให้แจ้งแต่ยังทำให้แจ้งไม่ได้ไงนะคะแล้วก็พอรู้ว่าทั้งสี่อย่างเป็นอย่างไรแล้วอันนี้ยกตัวอย่างแค่สัจจะความจริงอั น, นยิ่งใหญ่ก่อนคืออริยสัจ ท, ทุกสมุทัยนิโรธมา ก, ก่อนรู้ว่ามีอยู่อันนี้รู้อพอรู้แล้วต่อมาก็เป็นการรู้ว่าควรจะทา อย่างไรกับทุกสมุทยมิโรดมัสนั้น<ช>และสุดท้ายก็คือรู้ว่า ท, ท, ทั้งหมดนั้นเราได้ทำให้<ด>เป็น <ทำ S 2> อย่างน<ห>ั้<ะ>แล้วใช่โอ้ท่านฟังคะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟังอย่างนี้เราก็คงจะเข้าใจแบบดิฉันกันไปอีกนานมนนะคะนี่ขนา ด, ดิฉันจัดรายการกับพระสงฆ์ที่ศึกษาผู้ทวจนะมาเป็นเวลานานแต่ท่านไม่เคยพูดออกมาให้ดิฉันสงสัยอย่างนี้ ก็เลยเพิ่งมาทราบวันนี้ยคาสาธุนะคะสาทุค่ะเราจะเห็นว่าอที่บูชาบอกว่ารู้ด้วยอาการสามปริวัติสิบสองเนี่ยนะถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยคือคือถ้าจะมาเปรียบเทียบกับที่เรารู้รกันว่าทุกสมุทัยนี้รอดมากไม่เรียกว่าขั้นรู้ด้วยส้าเรียกว่าจําได้เฉยคุณเป็นคนจำอริยสัจได้แต่คุณไม่รู้อริยสัจนะข้างบนค่ะดิฉันเข้าใจว่าก็คงจะมีคนที่เคยคิดดิฉันก็เคยคิดนะครับเอ๊ะ รู้ยังไงเหรอเอ้เราก็รู้นะอืเพราะว่าเรามารู้ในสิ่งที่ท่านบอกให้รู้เนี่ยง่ายมากเลย อ, อ่านหนังสือเป็นหรือว่าฟังคําสอนได้เราก็รู้เหมือนกันนี่นาว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรอืแล้วเราทําไม<อ>ไม่รับรู้อันนี้คือจําได้เฉยๆที่เรารู้รู้กันเนี่ย อ, อันนั้นเราต้องค่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าเนี่ยรู้มาก่อนแล้วอันนี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธชีวิตในวันนี้ แต่ทีนี้ในเมื่อเปิดประเด็นมาอย่างนี้ยังมีความน่าสนใจต่อไปอีกอยิางก็ขอที่จะต่อยอดจากความรู้เกี่ยวกับการถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าพุทธเชียรตีที่ท่านได้กล่าวไปเนี่ยนะคะเพิ่มเติมมาสมมติว่าพวกเราเนี่ยที่มีความรู้ในเรื่องของทุกข้ออย่างประการแรกแล้วรู้ว่ามีอยู่ละทุกส ม, มุทัยไม่โรดมัด ส่วนใหญ่ก็เชื่อกันดั้งนั้นถ้าเป็นคนสติปัญญาทั่วๆไปเนี่ยนะคะทำอย่างไรถึงจะพัฒนาไปตามพระพุทธองค์ไปสู่ขั้นที่สองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรจะทำอย่างไรกับสิ่งนั้นอ๋ อ, อยกตัวอย่างอีกนิดนึงคุณยมเตียยเกี่ยวกับเรื่องความรู้เรื่องทุกเนี่ยนะอย่างอย่างเราโดน เ, เงินหายญาติตาย สิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความทุกข์ที่เราเข้าใจกันทีนี้เหมือนกับคนที่เจ็บป่วยเขาก็รู้ว่าตัวเขาปา่วยตัวเขาปวดหัวกินข้าวไม่ได้แต่ความรู้ของเขาจะไม่เหมือนกับหมอนั่นคือหมอยังรู้ลึกไปอีกว่านี้เป็นเชื้อโรคอะไรแมันทํางานยังไงจะแแค่ยังไงนี่คือความรู้รอบของหมอแต่เช่ น, น <mig S 1> <ș. S 2> เดียวกับพุทธเจ้าเนี่ยรู้รอบเรื่องทุกข์่มายว่าทุกข์นี่คืออะไรเหตุเกิดมาจากอะไรประโยชน์ของมันคืออะไรโทษของมันคืออะไรวิธีแก้ยังไง ร, รู้แบบหมอที่เขารู้เรื่องเรื่องไข้เพราะฉะนั้นถ้าเราเรายังไม่รู้แบบหมอ ใช่ไหมเราแค่รู้แบบคนป่วยเพราะฉะนั้นความรู้ของเราเนี่ยจึงตันจะทํายังไงให้เรารู้แบบหมอได้นะคุณต้องศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้แหละเราจึงต้องเดินตามมรตถ้าคุณปฏิบัติตามศีนลนะคุณนั่งสมาธิบ้างแล้วคุณให้ทานด้วยคุณจเจริญภาวนาไปตรงนี้จะทําให้คุณรู้รอบได้อรู้ได้สามรอบเลยด้วยใช่ไหมครับไม่ได้รอบเดียวใช่อพอเราปฏิบัติตามมรตถไปคุณโยมติวเราศึกษาธรรมะ เรานั่งสมาธิมีปัญญาบ้างอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อไอความทุกข์นี่เราต้องต้องรอบรู้นะอ๋อไอตัญหานี่เราต้องรู้เพื่อละนะอ uh, นิพพานนี่เราต้องรู้เพื่อทําให้แจ้งนะมรรคนี่เราต้องรู้เพื่อทําให้เจริญนะอย่างนี้นะ <c oughs> คือคือคนที่เขาไม่รู้เนี่ยนะคุณยมติเขาจะเอามาปนกันแต่ความทุกข์เนี่ยเขาจะไม่อยากได้นะแต่ความสุขอยากได้อา้าวคือสุขกับคำ ว, ว่าสุขกับคำ ว, ว่าทุกข์เนี่ย มันความหมายนี่ไม่ไม่ตรงกันนะ <Have. S 1> คนทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจว่าทุกขวเวทนาคือคือความทุกข์นะ <Have. S 1> สุขวเวทนาคือความสุขไม่ใช่แตพระเจ้าบอกสุกขวเวทนาก็คือความทุกข์ทุกขวเวทนาก็คือความทุกข์มันเริ่มงงๆนะสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจคือว่าสภาวะคำาีคา่คำ ว, ว่าทุกข์ที่พระเจ้าใช้เนี่ยแปลว่าถ้าจะพูดให้มันเข้าใจตรงคือสภาวะทุกขสภาวะ <Sure. S 1> วาทุกขเนี่ยหมายความว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงได้คือสภาว ะ, <Sure. S 1> วะทุกข เพระนอะไรที่มันมีสภาวะทุกน้อยเนี่ยสุขจะมากเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสภาวะทุกมีอะไรบ้างสุขเวทนาทุกขเวทนาพวกนี้เป็นสภาวะทุกหมดเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นในอะไรที่มันไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาเนี่ยอันนั้นเป็นความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าคือเป็นสภาวะสุขเข้าใจไหมค่ะเหมือนอย่างเราพูดถึงฌานที่สี่อย่างเงี้ยฌานสีนี่คืออะไรไม่มีสุขไม่มีทุกนะไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนา ถ้าเราเปรียบเทียบแบบชั้นหนึ่งชนนั้น1นี่มีปีติก็มีมีความสุขก็มีเอาทำมพระเจ้าของชั้นสี่นี่เป็นสุขวิหารธรรมที่มากกว่าชาั้นหนึ่งทา ง, ทางทั้งที่ชั้นสี่เนี่ยไม่มีสุขแต่ชั้นหนึ่งเนี่ยมีสุ ข, ขเวทนานะทำให้เราเข้าใจว่าก็เพราะว่าสุขทเวทนานั่นแหละมันเป็นตัวทุกเนื่องจาก ม, มันทุกเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของมันเข้าใจไหมเพร<อ>าะฉะนั้นเวลาเราบอกว่า เ, าเราอยากได้ความสุขแต่เราไม่อยากได้ความทุกอันนี้คุณพลาดเลย เพราะว่าสุขกับทุกเนี่ยเป็นความเป็นสภาพทุกข์ที่คุณต้องรอบรู้เข้าใจแต่ไอ้ตัณหาที่ความอยากกับความไม่อยากนี่คือตัณหาทั้งหมดคุณต้องโยนทิ้งแต่คุณยังเก็บตัณหาเอาไว้อ่ะนะคุณยังเก็บตัณหาไว้นะแต่ทุกบางส่วนคุณจะโยนทิ้งไปทุกบางส่วนคุณจะเก็บเอาไว้ยิ่งคุณจะทำให้ทุกหนะักเพราะว่าเหตุของความทุกข์คุณยังไม่ได้แก่ค่ะอืมไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นความรู้หลายอย่างที่รู้พร้อมๆกันบางคนบอกอุย้ยดีจังเลยแต่โอ้โหทำไมมาเยอะจัง รู้อยากเก็บไว้ให้หมดฟังไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเกิดการย้ำไปย้ามาแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเวลาเข้าใจว่าดิฉันพอที่จะสรุปดีกว่านะคะได้ได้ได้ไดกราบเรียนถามท่านไปถึงเรื่องว่าในเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงรู้ในธรรมสาคัญสคัญต่างๆมาก่อนหน้าที่จะตรัสรู้แล้วแล้วจะว่าไปพวกเราก็พอรู้อยู่ด้วยเหมือนกันยุตวอย่างเช่นเรื่องอริยสัจแต่ รู้แบบพระพุทธเจ้าจะมีพัฒนาตามลําดับขั้นหลังจากที่ตรัสรู้แล้วก็รู้ยิ่งเข้าไปอีกนะคะคือรู้ว่าควรจะทําอะไรกับสิ่งนั้นแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยต้องทําให้เจริญอย่างไรใช่ไหมคะทีนี้ท่านพิบูรณ์ก็เลยให้ความรู้เราเรื่องยกตัวอย่างสุขทุกข์เนี่ยดิฉนว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากและเราก็มาสงสัยต่อเอ้พูดถึงจริงๆแล้วท่านอธิบายโดยใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าในเห็นชัดแต่ก็แปลกใจว่า ทั้งโลกมีภาษาคำว่าสุขคำว่าทุกข์ทั้งนั้นคือมันน่าจะมีสักประเทศหนึ่งนะคะที่มีภาษาแบบเฉลียวฉลาดเลยบัญญัิไปแต่ทุกอย่างเดียวไม่มีสุขแต่ก็ปรากฏว่าคนทั้งโลกคิดเหมือนกันนี่คงจะเป็นกรรมชนิดหนึ่งของมนุษย์นะคะที่เห็นทุกข์เป็นสุขชมไหมคะใช่ทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่า ซึงควรรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ให้ถูกต้องว่าตันันหานั้นเขาให้รู้ไว้เพื่อละก็สรุปวันนี้เรารู้แต่เพียงว่าเรื่องทุกข์เป็นเรื่องที่ควรรอบรู้แล้วก็เรื่องตันหาเนี่ยสำคัญมากเลยมีทุกวันมีตลอดเวลาเลยตันหาเป็นเรื่องที่รู้แล้วต้องละ <Okay. S 1> ส่วนเรื่องอื่นๆเอาไว้วันต่อไปก็แล้วกันนะคะใช่ <Okay. S 1> วันนี้กราบนมรส ก, การขอพระคุณท่านปเป็นปอย่างยิ่งค่ะเจริญพรค่ะท่านผูน้ฟังที่เคารพค่ะนะเปิดวันแรก ของสัปดาห์รายการสัมม น, น, นาสนทนาก็นำเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าชนิดที่ว่าดิฉันจัดรายการมาตั้งนานต้องยอมรับว่าเพิ่งมารู้ในวันนี้เช่นเดียวกันความรู้แบบนี้หาได้ในรายการของเรานะคะรายการที่นําเสนอคําสอนของพระศ า, าสดาให้พวกเรากล้าหาญที่จะศึกษาในสิ่งที่ถูกต้องจะได้ไม่หลงทางกันแล้วก็จะได้เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาของเราในแง่ที่ควรจะเป็นผู้ทัวชนะนั้น ควรที่จะศึกษาทบทวนเรื่อยๆรายการนี้เราจึงมุ่งเน้นในการที่จะให้ท่านได้อ่านพุทธวัจนะไปด้วยนะคะก็มีหนังสือที่จะแจกให้สัตาระสามเล่มติดต่อเข้ามาที่สถานีก็แล้วกันค่ะ022690006วันนี้พุทธวัตสวัสดีนะคะ